ตอนบ่ายตอนบ่ายมาเทศได้เฉพาะอินโฟเมชันได้เฉพาะหัวข้อยังไม่ได้ขยายความเวลาก็หมดก่อน ว่าเวลา20นาที30นาทีก็เลยได้ประมาณเท่านี้ต่อไปจะอธิบายเพิ่มเติมอธิบายเรื่องอนัตตาให้เห็นเป็นอนัตตาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นเรามาดูลงมาที่ตัวห้องเรานี่เองดูลงมาที่ตัวห้องเรานี่แหละ มันเกิดขึ้นมาอย่างไงถึงแม่อธิบายก็ต้องรู้ในส่วนนี้ส่วนที่พ่อแม่ให้เบิ่งต้นเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อเป็นปัญจาสาขาแขนสองขาสองศีรษะหนึ่ง บอกเพศหญิงเพศชายไว้พร้อมอยู่เก้าเดือนสิบเดือนค่อยๆจากคันมารดาพ่อแม่เลี้ยงดูไว้ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารค่อยๆเจริญไว้ขึ้นไปเรื่อยๆ อายุห้าปีสิบปียี่สิบสามสิบนไหลไปเรื่อยมันแก่ไปเรื่อยๆมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเป็นไงไหวนี่ขยันขันแข็งทโรหดอดทอนยี่0บสามสิบเนี่ย ขยันไม่รู้จักเหนื่อยจักเมื่อยแต่พออายุหกสิบปีดูสิถ้าใครไม่รู้จักเมื่อยแสดงว่าแย่แล้วคนนั้นอายุหกสิบปีมันเมื่อยมันเมื่อยมันเหนื่อยมันเบียรตามสังขารร่างกายนั่นมันแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อย เหมือนมะพร้าวมาตาลนี่แหละมันแก่ไปเรื่อยๆจนสุกจนเหลืองจนสุกจนหลน่นคนเรานี่ก็เหมือนกันแก่ไปเรื่อยๆหกสิบปีเจ็ดสิบปี เริ่บเบื่อหน่ายแล้วอะไรอไรเกิดตามแล้เคยสนุกสนานรื่นเลง ม, ม, มาตั้งแต่ยังวัยหนุ่มมันก็ไม่สนุกสนานแล้วแปดสิบเก้าสิบยิ่งไปกันใหญ่เลยแบบนี้นี่แหละลองพิจารณาดูอย่าไปพิจารณาที่คนอื่นพิจารณาที่ตัวเราเนี่แหละเราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้มันผ่านปีผ่านเดือนมาแล้วเท่าไหร่ ดูลงไปมันแก่ขึ้นมากเท่าไหร่เดี๋ยวก็เก็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้และบบนี้โครคภัยไข้เก็บก็ค่อยลุมลุมเล้าเข้ามาพูดง่ายๆมันจะสลายเลยอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนหมดอันี้ในที่สุดตัวตนนัว น, นี้ก็ต้องตายไป คือแยกจากกันไม่สามารถจะเกาะกลุ่มกันอยู่ต่อไปได้เก้าสิบปีร้อยปีเส้นเอ็นอะไรต่างๆก็หย่อนยานไปหมดหนังเคยสดใสก็กลายเป็นหนังเหี่ยวหนังย่นแล้วเอาดูเข้ามาที่ตัวเรา ว่าหนังเหี่ยวหนังยดแล้วเป็นยังไงวะนี่มันก็สลายไปลมหายใจก็หมดไปก่อนร่างกายก็ไออุ่นก็ถอยออกถอยออกหมดไปเลยพอลมออกไฟก็ออกดินน้ำก็สลายดินน้ำสลายจากกัน สลายออกสลายออกเอาไปไว้ป่าชาปีดิบเกตวันถึงไปดูอย่าให้หมาจิ้งจ อ, อกกินอย่าให้แมงให้กากินห้ามไม่ได้แต่มแมลงวันมแมลงวันก็ที่ไข่ขางใส่กลายเป็นตัวหนอน เกาะใช้ตามร่างกายร่างกายก็เต็มไปได้วยหมูหนอนทวานทั้งเก้าทวานหนักทวานเบาตาหูจมูกปากเต็มไปได้วยหมูหนอนเกาะเต็มไปหมดตรงไหนที่มันปีมันแบคทีเรียมันทำงานอมอแรงวันก็ขี้ใส่ ไข่ ใ, ใสเรียกว่าไข่ขางพอไข่ใส่กลายเป็นตัวหนอนเป็นตัวหนอนก็เจาะใส่เต็มตัวเต็มตนไปหมดเจดวันเขาเข้าไปดูเปนี้หาความงามหาความสวยหาความดีในร่างกายนั้นไม่เห็นเลยไม่มีเลยมีแต่ความเปื่อยเน่าผุพัง เต็มได้วยความสขปกโสโครกทุกอย่างเห็นชัดทีเดียวเลยวนันนี้เห็นชัดเห็นจริงขึ้นมาแล้วนี่แหละลองพิจารณาเพิ่มเติมลงไปอีกดูซิว่าตรงไหนมันน่ารักตรงไหนมันน่าสนใจตรงไหนมันน่าดูน่ากินดี น่าพอใจหน้าเพิดเพลินมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยหลงกันอยู่ที่หนังนี่เองไม่ได้หลงที่อื่นหรอกหลงหนังนี่แหละ เนื้อมันก็ไม่หลงหรอกเนื้อกระโดมก็ไม่หลงมันหลงอยู่หนังนี่เองกันมรคนิพานกับหนังนี่แหละถ้านึกว่าตะโจตะโจหนังหนังท่นว่าเกษาผมโลมาขนนะขาเล็บดันตาฟัน ตะโจหนังตะโจหนังหนังเนีย่ยมันสำคัญมันมาติดอยู่แค่หนังนี่เองพราะพระพุทธเจ้าถึงให้พระก่อนจะบวชเรียนรู้เรื่องนี้เองเรียนเรียนกรรมฐานห้าเนี่ยเรียนหนังให้รู้หนัง ให้รู้ผมให้รู้ขนผมขนเล็บให้รู้เล็บฟันให้รู้ฟันทันตาฟันตาโจหนังท่านไ ห, หนพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะอสุผังให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าหูผัง ให้เห็นเป็นของแตกสลายไปในที่สุดให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงดูสิตั้งแต่แรกแรกเกิดดูสิแดกลงถือปฏิสนทีนนะ่วิญญาณดวงแรกของเราลงถือปฏิชนทีในคันมารดานัน่นนะหละไหลเรื่อยมาจนข้อจากคันมารดา เรื่อยมาจนถึงอายุปัจจุบัน่วยเรื่อยไปจนถึงว่าเราตายแล้วเปื่อเน่าผุพังมีหมูนอนเจาะเต็มตัวอยู่ไตยั่วเยี่ยอยู่เราชอบตรงไหนเราสนใจตรงไหนเราลากตรงไหนเราใา้ตรงไหนเรายินดีตรงไหนมันมีแต่หมูนอนนะ่ะ เราเอาอะไรมาเป็นสักขีพยานแห่งความสวยงามมันไม่มีมันมีตมนนเต ม, มูนอนเต็มไปหมดนอนเต็มไปหมดเราลักอันไหนเราชอบอันไหนเรายินดีพอใจอันไหนนี่ถ้าตายแล้วกถึงที่สุดท่นี่นะแต่ ว, ว่าจิตวิญญาณไม่สิ้นสุดนะ จิตวิญญาณยังเกิดอีกอยู่ถ้าเราไม่เป็นพระราหารันเราต้องเกิดอีกเกิดเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้เกิดเป็นอินเป็นพรมก็ได้หมดบุญจากสวรรค์หมดบุญจากพรมลงมาเกิดในมนุษย์อีก ลองคิดดูสิหมุนเวียนไปอย่างนี้แหละถ้าเป็นผมสุทธาวาดีก็ไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสำเร็จอราหันอยู่ในชั้นผมสิ้นอายุผมแล้วก็เข้าพระนิพพาน ไม่กลับมาทุกขในโลกนี้ไม่กลับมาอุ่นวายในวัตสงสารอันนี้เราจะสำเร็จได้ยังไงเราก็พิจารณาอย่างนี้แหละดังอธิบายให้ฟังนี่แหละพิจารณาลงไปที่ตัวของเราเนี่ยเราจะเห็นชัดตามความเป็นจริงเมื่อเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเราจะไปหลงอะไร เราจะไปหลงยึดหลงถือตรงไหนหลงเนื้อหลงหนังหลงกระดูกหลงเส้นหลงเอ็นแค่นี้หรือถ้ามันได้ดีแล้วมันไม่หลงหรอกแต่เป็นโสดาชกิทาคาหนาคารหันแล้วมันไม่หลงหรอกมันไม่เป็นไม่แม่มาหลงหรอกในสิ่งเหล่านี้นะมันหมดหลงแล้วแต่ถ้ามันยังหลงอยู่ก็แสดงว่า มันไม่ได้เลือกแล้วนั่นจิตของเรามันจะพาเราลงต่ำแหละฮีเลตหรืมันกระทำหน้าที่ของมันฮิเลอมันพาลงต่ำได้ยังไงมันก็พาพาให้ข้าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิกชาจาันโกหกหลอกลวง พูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อพูดเลี้วไร้อลไรแบบนี้ดื่มสุลามีไร่แหละทําชั่วทําผิดไม่คิดกูไม่เกง่งกลัวบาปกรรมอะไรแบนี้กิเลสตั้งพาให้เราเปิดพาให้เราไปอย่างนั้นถ้าเรายังยินดีกับกิเลสอยู่ทุกข์ของเราก็จะยังมีอีกอยู่ถ้ากิเลสหมดไปจากใจเราแล้วเราก็ต้องไม่ทุกข์ไม่ รอนกับอะไรแล้วเราสบายแลวเราชำระออกจากใจเราได้แล้วใจเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องท่านเองนี่พอเรียกว่าถึงความเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์เต็มที่จิตเราบริสุทธิ์เต็มที่ถ้ายังเรายังติดอยู่ยังเรายังหลงอยู่เราก็ยังไม่สิ้นสุด เราก็จะดูได้ว่าเราสิ้นสุดหรื อ, อยังกิเลสของเราหมดจากใจราหรือยังมันหมดหรือยังหรือว่ามันยังมีอยู่ตรงไหนมันติดอยู่ในราคะโทสะโมหะหรืออวิชชาหรือมันติดอยู่ตรงไหนนี่เราก็หาดูได้ในตัวของเรา เ, เราก็สําระออกไปแก่ออกไปไข่ออกไปไม่ให้มีอยู่ไม่ให้มันขังอยู่ในใจของเราเอีก คอยชำระไปให้หมดสิ้นไปนี่แหละอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะชำระจิตให้บริ ส, สุทธิ์คือได้มรรคได้ผลนั่นเองมันเป็นวิธีหนึ่งดูไปอีกดูไปถึงที่สุดของมันอีกเอาไปเผาแล้วมันเป็นยังไงมันเหลืออะไร นอกจากจะเน่าป่ยแล้วจังเรืออะไรบัตนเท่าเผาแล้วมันก็เรือเท่าเรือฐานทันเองกระดูกก็เป็นฐานเนื้อหนังมังสาก็เป็นเท่าเราอยากให้เห็นละเอียดกว่านั้นอีกเราก็ทำไปอีกเอาเท่าเอาฐานนามาบทให้ละเอียดตัวเราเนะี่ยาบทให้ละเอียดเลยบทให้ละเอียดจนหามิ็ดไม่มีแล้วเน่ะ สลาดขึ้นฟ้าควันกระมงเลยนะมันไปไหนล่ะบ้นตัวตนของเรามันไปไหนมันเป็นฝุ่นหมดแล้วมันเป็นเท่าเป็นฝุ่นละมันไม่เหลืออะไรให้เราเห็นแล้วนี่แหละกิจเราถึงจะวางได้ ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่วางบอกก็วางมันยังยึดต่ออยู่วางอะไรก็วางความยึดถือตัวตนนี่แหละเรายึดถือตัวตนแต่ก่อนเราคิดอย่างปัจจุบันได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอีกอย่างพระพุทธเจ้าพงค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธบัญญัติของโลกว่าตัวว่าตนพระองค์ก็ ว่าตัวว่าตนเหมือนกันแต่ว่าวันหยาดทำคือพระพุทธเจ้าบัญญัติทับลงไปในกายอันนี้นในตัวอันนี้ตนอันนี้น่ ะ, ว, นนนะว่าไม่มีตัวตนมันเป็นนัตตาเนี่ยคือหาสารแก่นสารอะไรจากตัวตนอันนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าไม่ฟังบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ ของผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นไปของมันเองมันแตกสลายตายดับไปเองมันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่คือของเราจริงๆในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มันเป็นอนัต<อ>นตาเกิดใหม่เราจะมาได้ลางนี้อีกไหมไม่ได้ลางนี้มันเป็นฝุ่นไปแล้ว มันก็ได้ร่างใหม่เป็นคนใหม่ร่างกายใหม่แต่ใจก็ดวงเดิมนั่นแหละดวงที่เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บทเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละดวงนั้นแหละเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ดวงนั้นแหละพอมาถือปฏิสนธิอีกก็เกิดเป็นคนอีกนี่แหละมันเป็นอย่างนั้น าวใดถ้าเราไม่เป็นผ้าระหันการเยน็นวายตายเกิดของเราก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังเป็นอยู่เป็นพระสวสดาบันก็เกิดเกีตชาติอย่างช้าที่สุดแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นพระสวสดบิบามันนับภพบนับชาติไม่ท้วนนับกลับนับคันไม่ท้วนนับพระพุทธเจ้าก็หลายร้อยพระองค์หลายพันพระองค์กว่าเราจะได้สติ กว่าเราจะได้มรรคได้ผลกว่าเราจะพ้นจากทุกทรมานนานแสนนานในวัฏฏานี้นี่แหละคนเกิดมาใจว่าไปเป็นคนดีทั้งหมดเหรอจะไปดีทั้งหมดเหรอกลับมาเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองไม่อดไม่ยากอย่างนั้นเหรอมันไม่แน่นอนนะ่ะมันไม่แน่นอนเกิดเราไปตกนรลกล่ะ มันจะนานขนาดไหนลำบากขนาดไหนอย่างเมื่อคืนที่แล้วเราได้ฟังเรื่องนรกเรื่องสัตว์ที่ประมาทแล้วไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาเน่นั่นบหบุญกุศลไม่มีตายไปแล้วก็ตกนรกตกนรกก็เดือดร้อนแนสนสาหัสโอ้ย มันมากจริงๆความทุกข์ความเราร้อนสมมุติวันหยาดว่ามันจะประมาณเท่าไหร่ความทุกข์ความลำบากเอาดาบวันละครั้งละตอนเชา้าร้อยเล่มแทงเข้าไปในกายนี้ตอนกลางวันแทงเข้าไปอีกร้อยเล่มตอนกลางคืนเอาอีกร้อยเล่ม ดาบสามร้อยเล่มแทงกายนี่อยู่แม้แต่เล็บเดียวก็ทุกทรมานแสนสาหัสแล้วจะไปกล่าวอะไรถึงสามร้อยเล่มมันก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกสิใช่ว่าเราจะได้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าหรือไปถึงพระนิพพานอะไรได้หรอ ถ้าพลาดถ้าเสียทีไม่มีคุณธรรมในใจไม่มีมั่งมีพลในใจอาจะไปเป็นสัตว์นรกก็ได้ไปเป็นสัตว์ดิลาสารก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายผีสางนางไม้เป็นสัตว์ดิลาสารก็ได้ดูสินี่แหละคือความไม่แน่นอนให้พี่นาดู ถ้าเราไม่พ้นทุกข์เราไมาได้คุณธรรมเนี่ยมันก็มีอะไรไม่มีอะไรเป็นสิ่งประกันว่าเราจะพ้นจากอบายภูมิ ถ, ถ้าไปตกถ้าไปตกนรกสันติวานานันนรกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันติวานาันนรกนรกขุมแรลไม่ใช่ขุมที่แปดคืออวิกิมห า, าโลก นรกมีอยู่แปดขุมฉันจีวันโกสังคารตานโลกโลโลวันะกาล่าสุดตานโลกโลรลวันโลกมหาโลโลวนโลกตาปานโลกมหาตาปานโลกอเวจีมหารกมีนรกใหญ่ๆมีอยู่แปดขุมเรียกว่ามหารกคนที่จะไปตกก็ไปตกในนี่แหละอย่างไป ไม่ได้ทําอะไรมากเป็นลักไกล่ลักปาเขาเล็กๆน้อยเมื่อกินลักผักเขาปลูกไว้แอบไปลักเอาหาบุญกุศลอื่นไม่มีมีแต่กรรมชั่วนี้เล็กๆก็น้อยนี้ก็ต้องไปตกนรกเหมือนกันไปตกอะไรล่ะไปตกสั้นีวานรกสั้นีวานรกอายุยืนเท่าไหร่ห้าร้อยปีนรกอายุยืนห้าร้อปีนรก วันหนึ่งคืนหนึ่งของสันสีวนาโรกมันยาวนานแค่ไหนเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวนาโลกนะเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์ให้ลองพี่หนาดูขานาดนรกขุมแรกนะคำว่าสันสีวคือตายตายเกิดเกิดตายลงไปเพราะถูกเผาถู ก, ถกทิ่มถูกแทงถูก น้ำร้อนลวกอะไรต่างๆตายลงไปพอตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็เป็นใหม่อีกก็ถูกทรมานให้ตายลงไปอีกจนกว่าจะสิ้นกรรมยิ่งจะหมดทุกข์ในนรกนนี้มีนรกผมแรกก็ยังเลวร้ายขนาดนี้ถ้านรกขมลึกกว่านี้จะเป็นยังไงอย่างอเวจีมหานรกที่อธิบายเมื่อคืนที่แล้วนี่ โอ้โโอโหโหมันน่ากลัวจังเสียเวลามากที่สุดเอาพุทธเจ้าแต่รู้ไปกี่พระองค์ก็ไม่รู้เราก็ยังไม่พ้นจากมหานรกนั่นอยู่อายุยืนยาวนานมากเอากองไม้กองหญ้าในป่านี่มากองเท่าสลาที่เราเห็นนี่ที่เราใช้อยู่นี่เรือนว่างอันนี้เอาไฟจากมหานรก มาแว็บเดียวเท่ากับแสงหิ่งห้อยยัดเข้าไปในกองไฟพิบตาเดียวทันเองไม่หมดเลยเป็นเท่าเป็นฝุ่นหมดเลยนั่นพิบตาเดียวนะไม่ใช่ชั่วโมงสอง่วโมงนะไฟจากอวิจีมหาลกเราหยิบขึ้นมาเท่าแสงหิ่งห้อยยื่นวับเข้าไปในกองกองหญ้ากองไม้นะ่นพิบตาเดียวทันเองไม่เหลือเลยกลายเป็นเท่าเป็นฝุ่นหมดนี่ ความร้อนแรงขนาดนี้เพอเรียกว่าหนักแสนหนักในมหานรกเพราะฉะนั้นคนจึงคนทําไมไม่กลัวหนึ่งไม่รู้จักจึงไม่ได้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้ให้ทานจึงไม่ได้รักษาศีลจึงไม่ได้ภาวนาจึงไม่ได้หัดสมาธิวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะความหลงในสิ่งเหล่านี้แหละ ความไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าใ น, นโลกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีความดีมีความชั่วมีตายแล้วแล้วไปเขาคิดอย่างนี้เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องเกิดอีกตายแล้วก็ต้องเกิดอีกถ้ายังไม่สิ้นกิเลสเกิดกี่ชาติกี่ภพกาหนดไม่ได้เลยเมื่อเกิดเท่าไหร่ก็ต้องทุกข์เท่านั้น ทุกขาชาติพุนาผูนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่าไปนั่นะเราก็ทุกไปเรื่อยๆทุกไปเรื่อยเกิดกี่พบกี่ชาติก็ทุกไปเท่านั้นพบเท่านั้นชาตนะิแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราได้มากได้ผลแล้วเราสามารถชำระกิจให้บริสุทธิ์แล้วอันนี้เรามีความหวังไม่ต้องมาวุ่นวายในมนุษย์อีกเลย ไม่ต้องมาทุกมายากมาลำบากในภูมิมนุษย์อันนี้นี่แต่ว่ามันดีอยู่นะภูมมนุษย์นีก็ดี้าจจะว่ามันไม่ดีก็ไม่ใช่มันก็ดีอยู่พอคนมาเกิดในภูมมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าก็มาตาัดสลูในภูมิมนุษย์ดีไม่ได้ตัดสลูที่สวรรค์ไม่ตัดสลูที่สวรรค์ตัดสลูที่มนุษย์โปรดมนุษย์และเทวดานี่สถาเทวมนุษย์สานัง เป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครูของเทพเทวดาเป็นครูของมนุษย์ทั้งหลายสอนมนุษย์สอนเทวดาให้ในบรรลุมรกฎทำพิสิทธิในพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเทศน์นี่กย้ำให้เห็นถึงความไม่กิรังยั่งยืนของวัตจักอันนี้หละ การหมุนเวียนไปตามอํานาจความอํานาจกิเลสนี่แหละมันก็เป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหาวิธีกําจัดกิเลสออกไปจากใจเราโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการมานั่งสมาธิทําวิปัสสนาให้ดูแจ้งเห็ุจริงในอริยสัจสี่เราก็จะวางได้หมดความยึดความถือที่เรามีอยู่จะวางได้หมดเลยมันไม่เหลืออะไรที่จะเข้าไป ตั้งท่าว่าให้เราได้รู้ว่านี่คืออะไรมันวางได้หมดพอมันวางหมดใจเราก็บริสุทธิ์ถ้าวางไม่หมดมันก็ไม่บริสุทธิ์มันก็ต้องไปเกิดด้ชั้นพรมบ้างไปเกิดเป็นเทวดาบ้างอยู่แต่ก็ไม่ไปอบายภูมิก็ไม่ตกนรกถ้าได้ได้รับคุณธรรมแล้วน่ะใครผ่านได้น่ะก็เลยว่ารับคุณธรรมได้สูงบ้างตำบ้างไม่เท่ากันนั่นแหละ มันก็ไม่ไปตกนระกแต่ว่ามันก็ช้าเสียเวลาแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆพี่นาไปเรื่อยๆไต่ตองไปเรื่อยๆรวมกิตไปเรื่อยๆทำอยู่ทุกวนันทุกวนันทุกโอกาสที่มีพอจะทำได้ก็ทาวันหนึ่งให้ทำสักครั้งหนึ่งก็ยังดีรวมกิตแค่ห้านาทีสิบนาทีเราทาไม่ได้เดอ อันอื่นเรายังทําได้สิ่งอื่นเรายังทําได้ยากปันไหนเราก็ยังทําได้แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของเราเป็นความดีของเราเราทําไม่ได้หรือวิธีหารทางนี้อยากทุกข์นี่ยไม่มีเงินสัก บ, บาทก็สามารถพ้นทุกข์ได้นะไม่ได้กินได้ทานอย่างอื่นเลยแต่มาตั้งแกปฏิบัติทำก็สามารถพ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ว่าให้ทานรักษาศีลนั่นเป็นสิ่งประกอบถ้าไม่มีสิ่งประกอบมันก็ไม่เจริญ ต้องมีสิ่งประกอบประกอบยังไงคือว่าถ้าถ้าให้ทานได้กิจใจของคนกบริสุทธิ์ลงจากภพโลภรักษาศีลได้แต่เราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาอีกนิพุติญาตินะตัดสมาสีหลังวิโสทเยนะนิพุติญาติก็คือนิพพานนั่นเองมันเย็นมันสบาย มันไม่เดือดร้อนพ่อแม่ได้เป็นลักของเขานี่แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจให้พิจารณาให้เห็นความจริงอันนี้พิจารณาให้เห็นให้เห็นว่าธาตุขันนั้นนี่มันมีความเสื่อมสลายตายแตกไปทำเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มันไม่ใช่ตัวตนของเรา มันเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้อย่างเดิมไม่ได้มันต้องสลายมันต้องเลื่อนไหลไปเรื่อยๆมันเลื่อนไหลไปเรื่อยๆพูดง่ายๆเมืแบบ่อหนุ่มแกสลาภาพตายไปนั่นแหละมันเลื่อนไหลก็เรียกว่าทุกข์ทุกข์ในอริยสัจไม่ใช่ทุกข์ในขันใน นั้ทุกในกันห้าให้พี่นาไปพี่นาไปวางลงไปทำใจให้ละเอียดลงไปทำให้เป็นเง่งลงไปให้วางเสียความยึดถือที่เรายึดถือว่าตัวเราของเราให้วางเสีย อย่าให้มีอย่าให้มีขึ้นมาให่ว่างลงไปว่างจนไม่มีอะไรจะเข้าไปยึดถือได้นั่นแหละท่านแหละจิตถึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ถึงจะเป็นพระโสดาบันได้ถึงจะเป็นพระสกิทาคาได้ถึงจะเป็นพระนาคาได้ถึงเป็นพระราหันได้เราฝึกหัดที่จิตของเราเนี่ยแหละที่กายนี่แหละ กายนี่เป็นที่อยู่ที่อาศัยอืมใจก็มาอาศัยกายแหละสร้างสมกูรณ์ามความดีมาเกิดเป็นมนุษย์จะว่าเลวร้วเสียเลยก็ไม่ได้เพราะมนุษย์สามารถทําความดีก็ได้สามารถทําความชั่วก็ได้สามารถ ท, ทํามรรคผลนิพพานให้กับตัวเองก็ได้อืส่วนไปอยู่สวรรค์ก็เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่สวรรค์สันฟ้า นั่นแหะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเห็นทุกอย่างทุกกายก็เห็นทุกใจก็เห็นนํำบากตากตาําสารพัดอย่างเราเห็นหมดเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่สุดก็คือว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอยู่นี่ถ้ามันไม่ได้อะไรเลยมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้มาเกิดดีอยู่ถ้ามีโอกาสมาเกิดดีก็ยัง ม, มีโอกาสที่จะทําความดีได้อยู่นี่หมายความว่ามัน คนบางคนชลาใจหรือประมาทอยู่มัวเมาอยู่คนมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในโลกที่มันเยอะคนที่ไปสวรรค์หรือสําเร็จมรคนที่ผ่านนี่มันน้อยท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเขาโคลมีอยู่สองเขาขนโคลมีอยู่ทั่วเต็มร่างกาย คนที่ไปสู่สุคติคือเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมหรือเข้าสู่พระนิพพานเท่ากับเขาโคนไม่มากมีเท่ากับเขาโคนส่วนคนที่ไปสู่อาบายคำว่าอาบายมีอะไรบ้าง ความเป็นสัตว์ดิลาสานหมูม้ากาไกา่ความเป็นเปรดความเป็นอสุลกายหีสางนางไม้ความเป็นสัตว์นรกนั่นถ้าเราไปเกิดในภูมิเหล่านั้นก็ลำบาก